อธิการณะเพทะว่าด้วยประเภทแห่งอธิกร 1. อุโกตนะเพธาทิว่าด้วยประเภทการรื้อฟื้นเป็นต้น340อธิกรมี4อย่างคือ 1. วิวาธาธิกร 2. อนุวาธาธิกร 3. าอาปตาธิกร 4. อาริกริกรมีสีอย่างเหล่านี้ถามการรื้อฟื้นอธิกรณ์อย่างนี้มีเท่าไหร่ตอบการรื้อฟื้นอธิกรณ์อย่างนี้มี10บอย่างคือรื้อฟื้นวิวาธาธิกรณ์มีสองรื้อฟื้นอนุวาธาธิกรณ์มีสี่ หรือฟื้นอาปัตตาธิกรมีสามหรือฟื้นอาปัตตาธิกรมีสามหรือฟื้นกิจจาธิกรมีหนึ่งการรื้อฟื้นอธิกร4สอย่างนี้มีสิบอย่างเหล่านี้ถามเมื่อรื้อฟื้นวิว า, าทาธิกรย่อมรื้อฟื้นสมถะเท่าไรเมื่อรื้อฟื้นอนุวาธาธิกร ย่อมรื้อฟื้นสมถะเท่าไรเมื <fry UC> <Brothers> ่อรื้อฟื้นอาปัตาทิกรย่อมรื้อฟื้นสมถะเท่าไรเมื่อรื้อฟื้นกิจจาทิกรย่อมรื้อฟื้นสมถะเท่าไรตอบเมื่อรื้อฟื้นวิวาทาธิกรย่อมรื้อฟื้นสมถะสองอย่างเมื่อรื้อฟื้นอนุวาธาทิกรย่อมรื้อฟื้นสมถะสี่อย่าง เมื่อรื้อฟื้นอาปัตตาธิกรย่อมรื้อฟื้นสมถะสามอย่างเมื่อรื้อฟื้นกิจจาธิกรย่อมรื้อฟื้นสมถะอย่างเดียวว่าด้วยการรื้อฟื้นอธิกรเป็นต้น341ถามการรื้อฟื้นมีเท่าไหร่ด้วยอาการเท่าไหร่จึงนับว่ารื้อฟื้นบุคคลประกอบด้วยองค์เท่าไหร่ จึงรื้อฟื้นอธิกรณ์ได้บุคคลกี่จำพวกเมื่อรื้อฟื้นอธิกรณ์ย่อมต้องอาบัติตอบการรื้อฟื้นมี12อย่างด้วยอาการ10จึงนับว่ารื้อฟื้นบุคคลประกอบด้วยองค์สี่จึงรื้อฟื้นอธิกรณ์ได้บุคคล4ี่จำพวกเมื่อรื้อฟื้นอธิกรณ์ย่อมต้องอาบัติการรื้อฟื้นมีสิสองอย่างคือ 1. หรือฟื้นกรรมที่สงยังไม่ได้ทำ 2. หรือฟื้นกรรมที่สงทำไม่ดี 3. หรือฟื้นกรรมที่สงควรทำใหม่ 4. หรือฟื้นกรรมที่สงยังทำไม่เสร็จ 5. หรือฟื้นกรรมที่สงทำเสร็จแล้วไม่ดี 6. หรือฟื้นกรรมที่สงควรทำอีก 7. รื้อฟ no ื้นกรรมที่สงยังไม่ได้วินิจฉัย 8. ปรื้อฟื้นกรรมที่สงวินิจฉัยไม่ถูกต้อง9หรื้อฟื้นกรรมที่สงควรวินิจฉัยใหม่10หรื้อฟื้นกรรมที่ยังไม่ระงับ11บรื้อฟื้นกรรมที่ระงับแล้วไม่ดี12หรื้อฟื้นกรรมที่ควรระงับใหม่การรื้อฟื้นมี1 2สองอย่างเหล่านี้ ด้วยอาการ1ิอย่างจึงนับว่ารื้อฟื้นคือหรื้อฟื้นอธิกรณ์ที่เกิดในที่นั้น 2. รื้อฟื้นอธิกรณ์ที่เกิดในที่นั้นแต่ระงับแล้ว 3. รื้อฟื้นอธิกรณ์ในระหว่างทาง 4. รื้อฟื้นอธิกรณ์ที่ระงับแล้วในระหว่างทางหรื้อฟื้นอธิกรณ์อันไปแล้วในที่นั้น 6. รื้อฟื้นอธิกรณ์อ่านไปแล้วแต่ระงับแล้วเจดรื้อฟื้นสติวินัย 8. ปรื้อฟื้นอมูระหาวินัยเก้ารื้อฟื้นตัดสปาปิยาสิกา 10. บรื้อฟื้นตินวัฏารกะด้วยอาการสิบอย่างนี้จึงนับว่ารื้อฟื้นบุคคลประกอบด้วยองค์4จึงรื้อฟื้นอธิกรณ์ได้คือ 1. ลำเอียงเพราะชอบจึงรืองร้อฟื้นอธิกรณ์ได้ 2. ลำเอียงเพราะชังจึงรื้อฟื้นอธิกรณ์ได้ 3. ลำเอียงเพราะหลงจึงรื้อฟื้นอธิกรณ์ได้ 4. ลำเอียงเพราะกลัวจึงรื้อฟื้นอธิกรณ์ได้บุคคลประกอบด้วยองค์สี่นี้จึงรื้อฟื้นอธิกรณ์ได้ บุคคล4ี่จำพวกเมื่อรื้อฟื้นอธิกรณ์ย่อมต้องอาบัตคือ 1. ภิกษุผู้อุปสมบทในวันนั้นแล้วรื้อฟื้นอธิกรณ์ต้องอาบัตปาจิตตีที่รื้อฟื้น 2. ภิกษุเป็นอาคันตุกะรื้อฟื้นอธิกรณ์ต้องอาบัตปาจิตตีที่รื้อฟื้น 3. ภิกษุผู้กระทำ ร, รืร้อฟื้นอธิกรณ์ ต้องอาบัติปาจิตตีที่รื้อฟื้น 4. ภิกษุผู้ให้ฉันทะรือฟื้นอธิกรณ์ต้องอาบัติปาจิตตีที่รื้อฟื้นบุคคลสี่จำพวกนี้เมื่อรื้อฟื้นอธิกรณ์ย่อมต้องอาบัต